ฝึกหกรรมฐานเราพากันฝึกหัดกรรมฐานทุกคนที่มานี้แต่ว่าความแต่ว่าการฝึกหัดกรรมฐานยังไม่ถึงถูกต้องคือยังไม่นเป็นก็มีบางคนหัดกรรมฐานกับหัดอย่างนั้นเนี่ยพระเจ้าจะจับหลักเราตรงไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ น่าเสียดายเวลาล่วงเลยไปโดยควรที่จะจับหลักได้พกหัดปฏิบัติที่จะเป็นไปถ้าจับหลักมาได้ก็อยู่นั้นแล้วงงๆเลยปฟาวนั่นแหละไม่ทราบอ่ะเอาตรงไหนกันยิ่งอยู่นานไปเท่าใดยิ่งเลอะเทอะเรี้ยวไหล พูดาดไม่ได้เรื่องเลยาวคนเราแก่มามาเป็นยัง้งความแก่ความชาราทั้งรูดทุดโทมไปจับโน่นวางนี้จับอะไรก็ไม่ถูกสักทีไม่มีหลักมีเกณฑ์คนเราแก่ไม่เหมือนกับลูกไม้มั่วว่องมันแก่มันก็นยังสุข มันแก่มันยังอร่อยมันหวานคนเรายิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งไม่เป็นอันอินควรควรที่จะเห็นในตัวเราทุกๆุกดมันเปรี้ยวอยู่ตรงไหนมันหวานอยู่ตรงไหนคนเรา คนแก่ให้สมกับคนแก่คนหนุ่มให้ตามเธอปล่อยไป้ตามเรื่องได้ก่อนความแก่ควรที่จะมีหลักมีเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านเม่เลือกเอาอายุหรอกเป็นคนแก่ไม่ใช่อายุมากๆอย่างเรียกคนแก่ท่านเรียกว่าคุณธรรม คนแก่มีคุณธรรมนั่นได้เชือว่าแก่ถูกต้องแก่ดีงามแก่ชุกขวานอร่อยแก่ไม่มีคุณธรรมแก่เปรี้ยว <c oughs> นันจะเปรี้ยวเลยสิ <c oughs> เห็นอะไรจะด่ากาดา่าวุ่นวายหมดวุ่นวายห ม, มดทุกสิ่งทุกอย่าง ม, นะมันจะเปรี้ยวสิเนี่ยมันจะเปรี้ยวอะไรนะีคือไม่ยับยัางขั่งใจของตนไม่รู้จักหลักของตนหลักของตนที่ปฏิบัตินะเอาอะไรเป็นหลักนั่นแหละมันเปี้ยวตรงนั้นแหละใครเขาไม่ชอบหวานให้ใครก็ชอบทุกคน เรียกครก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าโยจวัตสยย ะ, ต, สยยะ ต, สยยตังชีเบโยจวัตสะตังชีเวมีอนุตรังร้อยปีเอาเถอะ ไม่เห็นไขไม่เห็นความเสื่อมอความชิ่นของสังขายร่างกายของตนคนนั้นน่ะเอกคาห์คีตาส ย, ยุสู้ผลเดียวคนที่มีอายุในวันเดียวเท่านั้นน่ะแต่ไปเห็นความเสื่อมของชินมของร่างกายของตนไม่ได้ถ น, นั้นมีอายุมาก แต่ไม่รู้จักหลักธรรมไม่มีหลักจิตใจของตนสู่เด็กที่มันเกิดมาในวันนั้นมองเห็นชีวิตของตนความเสื่อมของจิตของตนไม่ได้ฉันว่นั้นหตุนั่นควรที่จะหาหลัก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 เห็นจิตใจของตนแล้ว น, นั้นตั้งสติพิจารณาจิตใจขงตนอยู่แนวๆตลอดเวลามันคิดดีคิดชั่วอย่าละเอียดก็เห็นอยู่แล้วมันสามารถที่จะก็ไม่สามารถที่จะทําชั่วได้อติขันเห็นจิตตองตนอย่างนั้นเหตุนั้นจึงตั้งสติ สติคือความระลึกคือตั้งไว้ตั้งตรงนี้นหะเอาบริกรรมเมาตั้งคือจิตัดมีตัวให้เอาคําบริกรรมมาแลหนึน่งก็ได้พุโทโธก็ได้สัมมาทังอะไรยกหนอพล่องหนอง่ออะไรนั่นแะ่ะคือว่าเอายุบหนอเอาพุโทโธดีกว่าพุโทโธอยู่ที่ใจ ใจเป็นคณนึกคนคิดพุโทโธจากตัวนั้นให้มันได้คิดใจนั้นเอาเอาพุโทโธมาไว้ฮะมันมารวมเันที่เดียวรวมความคิดความอ่านทั้งหมดมาอยู่กับพุโทโธนึกเอที่พุโทโธเดียวให้เห็นตัวนั้นแตีก่อน ยืนเดินนั่งนอนนิยาบุใดๆก็ันงษยดอยู่กับพุทธโธอันเดียวจิตใจของคนเรามันอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายอย่างที่เวลาหลายอย่างคือมันเร็วมันเร็วที่สุดเราจับมันไม่ทันเราจับเอาเอาพุทธโธนะเอา จิตน้อยพุโธจับตัวจิตได้ครัอคนี่นั่นอันเดียวแท้ๆมันคิดพุโทโธนึกพุโทโธกันเดียวนึกทำโอสังโธกันเดียวา น, นึกจริงเลยเด็กกับผู้เดียวัวนะียเด็กคุณจะช้าลงอ่ะที่คันเตติรัก รักจิตสามปัจฉญญะก็มีในตัวนั้นรู้ตัวว่าเรารักษาจิตคติรักษาจิตเมื่อรู้ตัวแล้วที่องอื่นมดกวางยังเหลือแ ต, สต่สติกับจิตเแล้วสติ ก, กับฉันปัจฉญญาขับจิตเท่านั้นนะตามอันท่นั้นรวมลงไปในเดียวครัน จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าคุมคุมของจิตอยู่รักษาจิตอยู่จิตเป็นของเราแล้วท่านทำอย่างนี้แหละถึงจะเห็นจิตถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เห็นเลยอธิบัติไปเถิดปีๆก็ฏิบัติไ ป, ป, ปเถิดไม่เห็นจิตเลย ทำปฏิบัติตรงแนวนี้เห็นทุกคนจิตของตนมีอยู่แต่ไม่เห็นถ้าทําอย่างนี้เห็นจิตทุกคนมีทุกคนจิตของคนเราไม่ได้นนที่ว่าฝึกขัดจิตทํำสมาธิภาวนาก็คือฝึกหัดจิตฝึกหัดจิตก็คือต้องการให้รู้จักจิตให้จิตอยู่ใ น, นํานาจของเรา เ่าหน้านั้น ม, มีไม่มีประโยชน์อะไรนอกนอกของมันเห็นจิตข้างตัยจะทุกข์ขนาดเชื่อว่าเราคุบจิตอะไแล้วลองดูสี่เขาเองถ้าคุกจิตดเราจะทํ า, ายังไงต่อไปก็คิด ต, ตัวเดียวนั่นแหะมันคิดอะไรมันตสงสายไปอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรก็คิด ต, ตัวเดียวเนั่น เราอย่าคิดเสียอย่าปรุงอย่าแต่งเสีมันก็เฉย อ, อยู่คิดคนเดียวนั่นแหละเฉย อ, อยู่เสียแล้วคว้มจิตอยู่แล้วครานี้มันจะมีเวลานึวอันนั้นเรียกว่าวิธีฝึกหัดวิธีปฏิบัติฝึกหัดกันไปอย่างนั้นทุกๆองค์ใครจะฝึกหัดใจก็เอาเถอะอาจารย์ไหนก็ตามเถอะ ทพึกหัดนี้ทางนั้นแพระเดจเจ้าทุกองค์ก็พึงหันในทางนั้นให้พึกหัดอื่นเมื่อพึกหัดจิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเวลารวมรวมไม่ได้ต้องเราไปรวมเองเราไม่ต้องไปรวมมันมันรวมเองของมันตั้งหากจิตรวมนั่น ท่านเรียกว่าผวังขจิตเรียกว่าผวังคุปเฉทะคือมันคณะเดียวมันรวมเหลือขณะเดียวผวังขาบาทไอ้ผวังขาบาทคือมันรวมลงคณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาผวังคจารณะมันรวมแล้วไปท่งสายอยู่ภายไหนนั่นนี่แหละก็ผวังคจารณะ เขไมได้ส่งออกไปทีนอกทรงส่ยอยู่ภายในเหมือนกับคนที่เข้าในบ้านในเรือแล้วปิดประตูมัดเสีแสงไฟสว่างเลยยวนหาสิ่งทั้งหลายทั้งปวในในบ้านในเรือนนั่ น, น, นพาหวังพาเจรณะพระองค์เขาไปเชทะกลานี้เด็ดเดียวลงไปเลยนิ่งแน่ ตัว อ, อารมณ์เดียวตัดขาดมดตัางภายนอกบางทีไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนอยู่อย่างไรตรงไหนแต่มันมีใจใจอันหนึ่งออมาต่างๆอันนี้เรียกว่าบัญญัติท่านบัญญัติสมมติตามอาการติดแต่บางทีนั้น ผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติอย่างอธิบายในบางต้นรักษาควบคุมสติควบคุมจิตอยู่เท่าน่ะไม่ไปไหนอยู่อันเดียวแล้วสามารถจะรวงวูบลงไปถึงให้พวังขบะเออพระวังคู่ประเทศธาเลยก็ได้ไม่ต้องลำดับพวังคู่บาทพระวังคือ เจอน้าพระรงองค์คู่พระเชิไม่ต้องระดับถึงพวังคู่พระเชิดท่าเลยก็ได้ที่ท่านอธิบายที่อธิบายเป็ น, นต่างๆจันท น, นั้นอธิบายไว้จังหาผู้เป็นอย่างนั้นท่านก็ อ, อธิบายอย่างนั้นแต่แท้จริงไม่ได้บังคับเป็นเลยจงพวังคู่พระเชิดท่าเลยก็ได้ท่าไปมัวเมาแตดถือตามตําหลายอยู่ ไม่เป็นเล็กขาดเหตุนั้นอย่าไปถืออันนี้อธิบายฟังให้เจิดในแถวเขวังเยอะกวัาคขาวังกว่าเาวังเขา่าป่าาวังเท้าข้าเจรณาเวังกุะเจตทะนั่นแถวเขาวังอธิบายหน่อยยืดยาวหน่อยครั้นี้แถวสมาธิ คณิ ก, า, ก, า, า, า, การคล้ายกับพวะางคู่บาทรนั่นแหะขาิการสมาธิกุบยาละเทะ่คล้ายกันกับพะกับอันพระวังพระดียนัภนันาสมาธิ่คล้ายกับพระวังคู่ปเิตะ แต่เรื่องรวังเป็นเรื่องของฌานสมาธิเป็นเรื่องของสมาธิมันแยกกันตรงนั้นครนี้กะสมาธิเราพิจารณาพุทโธเนี่ยนึพุทโธอันเดียวนั่นแหละ บางครั้งมันก็อยู่บางครั้งก็ไม่อยู่ผู้วากไปมาอยู่จิตในแนวเนี่ยเป็นผู้ว่าไปมาอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าคนิกะสมาธิตูปจาราสมาธิคันจิตแน่วลงอันเดียว แต่มันมีอาการไปไ ป, ไปมาอยู่ในภายในรู้ตัวอยู่ว่ามีอาการรุ่นมีอาการไปไปมาแต่ไม่ได้ส่งนอกมันมีอาการภายในอาการส่งนอกนั้นส่งแท้โดยที่ไม่รู้ตัวคิดนึกสงสัยปรุงแต่งสาพัดทุกสิ่งทุกประการ รอบด้านเราติดจนไม่มีสติ น, นั้นเรียกว่าส่ ง, งนอกแพ้ส่งนอกส่งในนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้อยู่แต่ว่ามันไม่หยุดส่งไปในเรื่องของคิดของอ่านของภายในหรือส่งไปดำกายสตาีิจนาไกา่นี่แหละ อาการอยู่ภายในเรียกว่าสง่งในอัปปนาสมาธิครั้นี้จิตแน่วเต็มที่ไม่ได้คิดนึกส่งนอกละเอียดเต็มที่เลยแต่รู้สึกว่าละเอียดรู้สึกว่าจิตละเอียดเนี่ยละเอียดแค่ไหนก็รู้จักว่าจิตละเอียด แต่ไม่คิดไม่พิจารณารู้จักรู้สึกเวยนั่ น, นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาต่นั้ น, ดนได้ก่อนคำว่าไอเขาวางนี่สมาธิก่อนเอาแค่นั้นได้ก่อนให้ได้แค่นั้นได้ก่อนครั้นี้ครั้งเมื่อลงสมาธิเต็มที่แล้ว นั้นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาอยู่ในอุปจาระสมาธิคิดนึกสงสายแต่ว่าอยู่ภายในขอบเขตของสติควบคุมสติควบคุมอยู่ฝึกฮัตอย่างนี้ อยู่ตลอดเวลาคือพุทธศาสนานี้เบื้องต้นได้อธิบายมาแล้วพุทธจิตด้วยการมีสติความรู้ตัวอยู่เรีย ก, กว่าพุท ธ, ธจิตจิตเมื่อพุทธจิตไ ด, ได้จะเข้าถึงอัปปนาสมาธิ ที่สุดของพุทธศาสนาเพียงแค่นั้นเรื่องพุชเครื่องเมื่อเมื่อถอนออกมาแล้วจะไม่จุ่ในอุปจาระไม่นอกเรื่องจากนั้ น, นแต่เมื่อผู้พูกหัดปฏิบัติจะต้องฝุกหัเดอมมือดเส ม, มอแต่เส ม, มอเพราะอะไรเพราะ อยายจะตำนาธาตุของเรามีอยู่ขันของเราไม่อยู่มันจําเป็นจะต้องกระทบกระเทือนจําเป็นจะต้องวันไหวจําเป็นจะต้องฟึกบฝนอยตลอดเวลาได้แล้วมันออกมาอีกได้อัปนาสมาธิแต่มันยังมาไปดุปจาะประดุจจาระแล้วมันอาจสามารถที่จะไปถึงคณิกาหรือออกไปนอกจากคณิกาไปได้ ผู้ฝึกหัดปฏิบัติที่ยังไม่ทันจํานี้จำนาสำนาสามารถที่จะหลงตา่างหลงไปตามมัสอันนั้นยังไม่ใช่มัชผลผนิพพานอันนั้นเป็นได้เพียงว่าฝึกหัดเฉยเพยพอจะอย่างถึงไม่เฉยพอจะอย่างเข้าถึงก็แฉ่เฉย ความสงบเยือกเย็นที่เป็นอัปนาสมาธินั่นได้ชื่อว่าอย่างถึงพุทธศาสตร์สนาแท้ยัางถึงกระแสความจริงแท้ทีเดียวนะเมื่ออัปปนาเมื่ออุปจาระมันถอนอุปจาระต้องพิจารณา พิจารณาแลยพิจารณาข้าศีกขณา่แจ้าไม่ต้องนีน้อยหนีจากนี้หรอ <c oughs> พุทธศาสนาเนี่ทั้งหมดเนกก่าอย่าข้าศีกขณาอินฉาแล้วไม่มีที่จะพิจ า, ารณาี่้อยเล็กน้อยออกไปนอกนั้นมากมายแต่สรุปใจความแล้วรวมมาในขาศีจขณาไอขันหายน า, ายะนะมีทั้งหมด ทิจนาของเรเนี่ยมันเห็นจริงธาตุตรีตัวของเราก็มีทุกคนขั้นห้าตัวของเราก็มีทุกคนอาจจะธาตุทิศสองตัวของเราก็มีทุกๆคนมีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีที่จะทําการทํางานให้ก็มีของเราเครื่องไม้อะไร คือศีลธมะที่ปัญญาอย่างอธิษัานมาให้ฟังพิจารณาลงไปสิพิจารณาท่าตีลงไ ป, าางงไปมันไม่เห็นเลยค่ะนี่อันที่มันไม่เห็นนั่นสิท่าจีมันเห็นเป็นคนไม่ใช่ทาาจีพิจารณาท่าจีกว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นทา่าจีไงจังน้ําแสนนานทีเดียวหา้าแสนยญกาทีเดียว ขันห้าเลยอะที่จะเห็นเป็นตัวของเราเป็นขันห้าก็ยากเหมือนกันมันเห็นเป็นตนเป็นตัวเสียเห็นเป็นวุรุตหญิงชายเห็นเป็นแก่เป็นหนุ่มเห็นเป็นสาวอะไรต่างๆไปร้อยแสนสมบัตจึงพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไม่ใช่นิจนานต้นเหตุตัวของเรา เป็นธาตุเปลี่ยนแต่เพียงธาตุสีเป็นขันธ์หไม่ใช่ตนใช่ตัวมันก็จะบายสิการเห็นเป็นธาตุสีขันธ์หมันจะไม่สบายเงีเจ็บป่วยก็ธาตุสีขันธ์หไม่สบายก็ธาตุสีขันธ์ห้าแต้ใยก็ธาตุสีขันธ์หมันจะมีอะไรเหลือ เนี่ยอธิบายถึงหลักการปฏิบัติให้จําได้ใ ห, ให้ให้แม่นยําจําได้ให้จริงให้แม่นยําได้ก่อนแล้วยังต้องฝึกหัดไปตามอธิบอย่างอธิบายมา น, นี่แหละจึงจะได้หลักคันท้างันไม่ได้หลักสักทีชีวิตของเราเกิดขึ้นมามันไม่แน่นอน แกทั้งขนาดนี้แล้วทุกทุกขดไม่จะเอาวิธทั้งทั้งหมดอ่ะ <c oughs> เมื่ อ, อไหรมันจะแตกกระดาบก็ไม่ทราบมันไม่บอกเวลาให้รีบทรัมเสียในเมื่อมีเวลาอยู่ดีเห็นหน้ากันอยู่ตลอดนียรีบทรัมเสียแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลารีบฟังเสียรีบทรัมเสีย ให้มันทันกับเวลาของเราพอสเอาพา ก, กันนั่งภาวนานั่งสมาธินั่งภาวนาคือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหากว่าไม่ถนัดจะนั่งพรับเทียบยังไรก็เอาตามใจ อียาบทก็ได้อายาบทอะไรก็ได้เราตามชอบใจเราตั้งสติกำหนดจิตจิตมันอยู่ที่ไหนเอามาเอาพุทธโธไว้ที่จิตนะหรือเอาจิตไปไว้ที่พุทธโธก็ได้ให้เห็นพุทธโธอยู่กับจิตให้เห็นจิตอยู่กับพุทธโธ อันเดียวคนนั้นเ่ยาได้ส่งไปทั้งนอกทั้งในยาได้ส่งไปทั้งหน้าทั้งหลังตั้งอยู่เฉพาะอันเดียวคือว่าพุทโธอันเดียวนั่นเนี่ยการตั้งจิตถูกตั้งจิตตรงคือไม่นึกคิดถึงเรื่องอดีตอนาคต ทางภายนอกภายนยายอยู่เฉยๆเอาอันนั้นแหละอาพุทโธนะไว้เฉยๆน่ะตั้งจิตใ้พุทโธนั่นเฉยๆหยู่ตรงกลางอันน่ะไม่ต้องการจะให้นานนึกไม่ต้องการทําให้นานหรือเร็วมันหากเป็นเองเหรอคือเมื่อจิตตั้งแนวอยู่อย่างนั้นแล้ว อยู่กับพุโทโธคนเดียวแล้วมันเป็นเองเราไม่ต้องการแต่งถ้ามันเป็นเป็นพ่อนาเองมันจะรวมเข้าไปเข้าไปเป็นใจคือมันเฉยๆอยู่เข้าไปรวมเข้าไปได้เฉยๆอยู่บางที มันอาจจะรวมวูบลงไปดังเหมือนกับเสียงฟ้าผ่าเนี่ยก็มีเดี๋ยวตื่นตกใจใช่บางคนบางทีก็หายว่างเหมือนกับไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งหมดกวงเรากลัวตายใช่ก็มีดางทีมันก็ตกุกหวตกหาวูบลงไปแล้วกลัวตายสะดุ้งใี่ก็มี ท่านถ้าหาก็พูดทำผู้มีสติควบคุมคิดอยู่จะไม่ตกใจคำว่าว่างมันไขเป็นขนว่างคำว่าดังเหมือนกับฟ้าผ่าก็ดีเรื่ตกเหวตกผาก็ดีอะไรต่างนั้นไขเป็นขนว่าจิตจะเข้ามาอยู่ในที่นั้นแค่ที่จริงนั่น จิตนั่นหรอแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละว่างก็จิตนั่นเป็นของว่างสว่างมดเส้นแสงสว่างเราเลยไปมองแสงคนไม่มองจิตของเราแล้วมันตกวัวลงไปยงไงหรือแสงเตี้ยเอาไว้กับผ้าผ่านไงมันออกไปจากใจนั่นเองทางท่าผู้มีสติควบคุมใจอยู่จิตจะไม่ถอนยิ่งเจนละเอียดลงไป ถ้าจิตถอนแล้วกับพ่อนาจ้เป็นอล้วคะนี่อาการที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุที่เราทำสมาธิเบื้องต้นคือควบคุมจิตนั่นเองจิตมันอยู่ในที่เดียวมันเกิดนิมิตต่างๆสารพัดทุกอย่างแน้วแต่นิสัยของคนบางคนก็นิ่งเฉอยอยู่ ไม่มีอะไรนิ่งเฉยก็าอยู่นั่นนะนิ่งเฉยแต่เฉยอยู่นั่นได้ก่าอย่าไปพึ่งนี่นล้นเดือดร้อนอยากจะให้เป็นน น, ปนนสินีเลยเอาเขามันช น, นี่ฉ่ำนานเป็นทีนี้เนีวเอาอีกพิจณาอีกเข า, าเป็นอย่างนั้นเข า, านาอีกเข า, าเป็นอย่างนั้นนะ่ะนานนะเข้าหากจะรู้เรื่องของมัน ของอนี้มมีครูมีอาจารย์รู้ด้วยตนเองเห็นชัดด้วยตนเองแต่าพูดคนอื่นฟังก็ไม่ได้พวกคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องมือนจะบของฝันของเราฝนะันเห็นโน่นเห็นนี้นนนอะไรต่างฝันโตฝันเพลิดเพลินสนุกขานานก็ตามเถอะมันเล่าคนอื่นฟัง เขาเล่าไว้เฉยเขาไม่ไปเห็นโดยเราสมาธิภาวานาเรื่องจิตใจก็อย่างเดียวถ้าจะเห็นเขาจะรู้โดยไม่รู้ก็ตามเถอะแต่เรารู้ด้ดยตนเองนี่แหละหังเองะทุกๆคนนะต้องหัดอย่างนี้เดียว